ข้อความในเ <Okay. S 1> นติปกรณ์วิจยหาระสัมปาตะในข้อ56หน้า112คาถาว่าตสมารักขิตจิตตสักเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตอันนี้ยกมาอย่างไงเนี่ยยกมาลอยๆอย่างไงเนี่ย <Okay. S 1> คือเป็นคาถาที่ต่อจากหน้า106นะนะคาถา106มีอยู่ในหน้า106มีอยู่ว่า บุคคลมีจิตอันไม่ได้รักษาคือปล่อยจิตให้เป็นไปกับความประมาทถูกทำลายด้วยมิจฉาทิฏฐิคือเป็นไปกับวิปลาสถูกทีน้ามิท่าครอบงำย่อมไปสู่อำนาจของมันในิขานี้มีอธิบายเนื้อหาเต็มมีอีกที่หน้าห้าสิบในหน้าห้าสเนเรื่องเต็มอยู่ว่า เพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความลำริชอบเป็นโคจรมีมุ่งสัมมาทิฐิเป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดความดับครอบงำทีนมิทะและก็ละทุกขติทั้งปวงมันก็ยกตัวอย่างม า, าเฉพาะว่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตในหน้า1 1 2่งริงข้อจึงว่าตัสมารักขิตรักิตจิตตัสสะ แปลว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรเพราะอะไรเพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นกับเพราะเหตุนั้นเนี่ยมันอันเดียวกันเพราะเหตุนั้นเหตุไหนเหตุก็คือว่าบุคคลผู้ที่ไม่ได้รักษาจิตถูกทําลายด้วยมิจฉาทิฐิเป็นไปกับวิปลาสถูกทีนามิทะครอบงําย่อมไปสู่อํานาจของมารเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้นั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตเป็นผู้ผู้รักษาจิตแล้วก็ให้จิตเนี่ยโครจรไปกับสัมมาสังกัปปะแล้วก็ทุกอย่างมีสัมมาทิฏฐินำหน้าหมดเลยเมื่อมีสัมมาทิฏฐินำหน้าทั้งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิยถาภูตยายทัทสนะสัมมาทิฏฐิแล้วก็รู้ความเกิดความดับแห่งอุปาทานขันท่า ไม่ปล่อยให้ถีนาะมิทะครอบงำเขาก็จะล่วงพ้นจากวัตถทุกข์ทั้งปวงได้เนนั้นในคาถานี้เป็นต้นเนี่ยนะจากคําพูดอันนี้เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับว่าพระาศาสดาผู้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยกําลังสิบประการกําลังสิประการคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีทศพลยานย่อมไม่หลอกลวงสาวกทั้งหลายด้วยโอวาท ผู้ที่มีคุณธรรมเพียบพร้อมระดับพระพุทธเจ้าแล้วจะโกหกสาวกไปทาไมจะมุสาวาสาวกไปทาไมพระศาสดานั้นทรงให้โอวาสามประการคือท่านทั้งหลายจงกระทํสาสารคมนะก็คือจงถึงสาธารนะเป็นผู้สมาทานศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ท่านทั้งหลายจงกระทาให้ถึงพร้อมด้วยอุบายนี้ สารณคมและศีลเป็นต้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายผู้กระทําตามโอวาสนั้นอยู่เนื่องจากพระพอระองค์เนี่ยนะมีทศพลายานใช่หมเมื่อพระองค์มีทศพลายานเนี่ยพระองค์นประกาศให้เรารู้จักสังสารวัตรู้จักวัตะเมื่อรู้จักวัตะรู้จักเหตุให้เกิดวัตะถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะพ้นจากวัตะ ปรารถนาที่จะดับทุกข์ให้ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ท่านก็สอนให้บําเพ็ญอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อท่านอบรมศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างนี้ข้อนี้จัดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านปฏิบัติอยู่ตามนี้สาวกเหล่านั้นที่พระาศาสดาทรงให้โอว่าเช่นนั้น ทรงสั่งสอนเช่นนั้นกระทําตามโอวาทนั้นอยู่ปฏิบัติตามโอวาทนั้นอยู่จกไม่บรรลุทัศนภูมิหรือภาวนาภูมิในฐานะนี้ย่อมไม่มีถ้าปฏิบัติจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนทําตามอยู่ที่จะไม่บรรลุโสดาปิตมรรคสกท า, าคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคฐานะนี้ย่อมไม่มีถ้าทาตามจริงที่ไม่บรรลุไม่มี ถ้าจริงนะถ้าทำจริงสาวกนั้นที่พระาศาสดาทรงให้โอวัชเช่นนั้นทรงสั่งสอนเช่นนั้นยังศีลขันให้บริบูรณ์จากบรรลุทัศน์ภูมิโดยลําดับฐานะนี้มีอยู่หมายค่ะว่าถ้าปฏิบัติอยู่ในศีลบริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณยังไงก็ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณยังไงก็เป็นพระอนาคามี ถ้าศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ยกตัวอย่างว่าผู้ที่มีศีลขันธ์บริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณบรรลุทัศนภูมิโดยลําดับที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไม่ใช่จะยากสาคัญที่ว่าทําบริบูรณ์ได้ไหมที่นี้บรรดาปุถุชนทั้งหลาย ที่จะโจททวงพระพุทธเจ้ า, านะนะขออภัยพระอริยะที่จะโจททวงพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเหล่านี้พระองค์ซึ่งปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธายังไม่ได้ตรัสรู้แล้วฐานะนี้ย่อมไม่มีถามว่าพระอริยสาวกเคยได้ยินว่าพระโสดาบันเป็นต้นประทวงพระพุทธเจ้าพระนนท์บอกว่าพระองค์ไม่รู้เรื่องนี้พระเจ้าค่ะ พระรยาเนี่ยนะพระริยะสาวกนาวิสาขานาถบินทิกาหรือผู้ที่บรรลุมรคผลทั้งหมดมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่รู้นะมีอีกหลายเรื่องที่พระองค์ไม่รู้พระมหากระจายนะบอกเรื่องนี้พระองค์ยังไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีมีแต่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อทรงรู้ก็ทรงรู้อยู่เมื่อเห็นพระองค์ก็เห็นอยู่พระองค์นั้นเป็นพระตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านอยากรู้ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถอด บางทีท่านก็นยังบอกว่าท่านเนี่ยทิ้งไม้แก่นแล้วก็มาสำคัญแก่นหาแก่นที่กิ่งและใบท่านล่วงเลยพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันมาถามคนอื่นเนี่ยนะไม่น่าจะพลาดน่าจะไปถามพระพุทธเจ้านผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปแล้วหรือผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะที่จะโจดจะทวงว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะคือเนื่องจากว่าพระองค์เน้ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ทุกเรื่อง เป็นต้นอันนี้ไม่มีเพราะพระองค์เป็นพระสัพพันญูเป็นผู้ยังรู้อดีตยังรู้อนาคตยังรู้ทั้งอดีตและอนาคตพระองค์ยังรู้ทั้งสังฆะยังรู้ทั้งอสังฆะยังรู้ทุกขสัตตสมุทัยสัตต์นิโรสัจะมัสสัจะยังรู้อัตตธรรมนิรุติปฏิภานะปฏิสัมพิทาพระองค์ยังรู้อสสารณะญาณหกประการคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ยังรู้อย่างนั้น มีเวสารัชยานสี่มีทศพลายานสิบเป็นต้นเมื่อพระองคอ์เป็นอย่างนี้เนี่ยผู้ใดจะผู้ที่มีคุณธรรมจะโจดท้วงพระองค์ไม่มีแต่ก็มีอยู่บ้างที่เป็นปุถุชนที่เป็นเรียกว่าคนที่ผูกพยาบาทกับพระพุทธเจ้าคนที่มีใจผูกโกรธกับพระพุทธเจ้าแล้วด่าพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่รู้เนี่ยมีอยู่ คือสุนขคตาลิชวีสุนขคตาลิชวีนี่โกรธพระพุทธเจ้าเพราะโกรธหนักๆเข้าบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยการตรึกเดาเอาแต่ว่าพิเศษในนี้พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเดาเอานะแต่ว่าใครปฏิบัติตามคำสอนมันรลุจริงเพราะฉะนั้นตัวพระพุทธเจ้าไม่รู้จริงหรอกแต่ใครที่ปฏิบัติตามบรรลุจริงพูดขัดกันเองไนงะ พูดแล้วมันขัดกันเองที่จริงเขาบอกว่าเข้าไปด่าเรื่องนี้ให้พระอริยะสาวกฟังทีนี้พระอริยะสาวกเขาบอกอา้าพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงได้ยังไงนี่เขาบรรลุไงก็เลยไม่พูดว่าเออแต่ที่ใครที่ปฏิบัติธรมบรรลุจริงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตั ก, กะตรึกเอาแสดงธรรมด้วยการคาดคะเนเนี่ยนะตอนหลังพระพุทธเจ้าก็แสดงแสดงมหาสีหนาสูตรมชิมนิกายมูลปัญธาที่พระองค์บรรลุสีหนาส คนเหล่านั้นไม่เป็นประมาณเนี่ยนะเอาเอาคนเหล่านั้นไปไปกล่าวเช่นนั้นไม่เป็นประมาณเพราะสุนัขะตาฤชวีเนี่ยบอดบอดเพราะกโกรธเนี่ยนะคนโกรธย่อมไม่เออคนโกรธย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธไม่รู้สึกคนโกรธไม่รู้อัดคนโกรธไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโกรธครอบงำก็มีแต่ความมืดมิดเพราะฉะนั้นสุนัขะตะิฤชวีเนี่ยอำนาจของความโกรธ กับพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเช่นนั้นอันนี้ข้อแรกนะบอกว่าใครที่จะมาโจดทวงพระพุทธเจ้าโดยทําว่าพระองค์เนี่ยปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่พระองค์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้บุคคลไร่ๆจกโจดทวงว่าอาสะวะเหล่านี้อันพระองค์ซึ่งปฏิญาณตนว่าเป็นขีณาสะวะคือผู้ละอาสะวะได้แล้วยังไม่ได้ละ ฐานะข้อนี้ย่อมไม่มีนะเคยได้ยินพระอริยะทั้งหลายไปโจทย์พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยปฏิญาณตนว่าสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะเละอวิชชาสวะแลว้วอ่ะแต่ยังมีกิเลสอีกหลายตัวที่พระองค์ยังละไม่ได้มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่บุคคลจะไปโจด ท, ทวงพระพุทธเจ้าเช่นนั้นตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรอยู่นะ เรียกว่าเรียนฐ า, านาฐานยานเรียกว่ายานที่กล่าวถึงฐานะและอาฐานะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฐานะที่ใครจะไปโจทย์พระพุทธเจ้าเรียกอาฐานะแปลว่าไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยคือเป็นไปไม่ได้เช่นพระโสดาบันเป็นต้นจะไปโจทย์ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเป็นพระารหัน์แต่ยังละกิเลสไม่หมดอย่างเงี้ยนะเป็นไปไม่ได้อาฐานะ บุคคลรายๆจักโจดทวงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่การล ะ, ะราคะเป็นต้นย่อมไม่นําออกจากวัดตะด้วยการละราคะเป็นต้นนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยอาการนั้นฐานะนี้ย่อมไม่มีใครที่จะจะไปโจดไปทวงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเพื่อให้ออกจากวตัตฏะอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละกามราคะเมื่อละกามราคะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วเนี่ยนำออกจากทุกขไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีใครโจทยวงพระพุทธเจ้าสอนว่าไงสอนว่าถ้าละราคะได้เด็ดขาดบรรลุเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเป็นเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็บอกไม่ใช่หรอกเนี่ยนะ บุคคลที่ที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะที่เป็นพระอริยาสาวกที่จะไปโจดทวงเช่นนี้ไม่มีหรือบุคคลราๆจากโจดทวงว่าก็สาวกของพระองค์นั้นอะ่ะปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมปฏิบัติโดยเคารพประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมจกไม่ทําให้ประแจะจกไม่ทําให้แจ้งประจักษ์ซึ่งบรรลุคุณวิเศษอันโอฬานยิ่งกว่าแต่ก่อนเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยนะท่าน พอเป็นพระโสดาบันก็มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอย่างเคารพปฏิบัติจริงจังแต่ว่าไม่ทําให้แช่งสกะาทาคำมีผลเป็นต้นใครที่จะมาโจดทวงอย่างนี้เป็นไม่มีเพราะว่าพราะองค์ตรัสว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาเขาพึงเป็นผู้กยิมในอรหัตผลได้ในปัจจุบันแล้วกันพระองค์มีแต่ตรัสอย่างนั้ น, น, นใช่ไหมแต่ผู้ใดที่จะมาคัดค้านว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนไม่บรรลุคนนวิเศษ ย, ยิ่งขึ้นไปหรอกอนะพระอริยะทั้งหลายก็ไม่โจดทวงอย่างนี้หรอกหรือบุคคลรายๆจกโจดทวงว่าก็ทำเหล่าใดที่พระองค์กล่าวว่ากระทำอันตรายต่อฌานต่อมรรคผลทำเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายแก่ฌานมรรคผลแก่ผู้สร้งเสพฐานะนี้ย่อมไม่มีทำที่ทำอันตรายต่อฌานมรรคผลมีอะไรบ้าง หนึ่งตํมมันตรายใครที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหติตพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังฆเภทที่จะปฏิบัติให้ได้ฌานมรรคผลไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้หรือผู้ที่เป็นนิยตะมิชฉาทิฐินิยตะมิชชาทิฐิเนี่ยนะเที่ยงดิ่งเป็นทิฐิที่ดิ่งผู้นี้ก็ไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่จะ บรรลุมรรคผลเพราะอะไรเพราะว่าทำนั้นได้ทำอันตรายแก่เขาแล้วหรือผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตปฏิสนธิด้วยทวิเหตหรืออาเหตุตุกะปฏิสนธิก็ไม่สามารถบรรลุฌานมรรคผลได้หรือผู้ที่ทำอริย ป, ประวาติไปว่าร้ายพระอริยเจ้าก็ไม่สามารถที่จะบรรลุฌานมรรคผลได้หรือผู้ที่ล่วงละเมิดทวิัยบัญญัต ก็ไม่สามารถจะบรรลุฌานมรรคผลนิพพานได้เขาก็เรียกว่ากระทําที่กระทําอันตรายที่ระวันหนึ่งกรรมอันตรายสองกิเลสันตรายสมวิปากันตรายสียย่อริยประวัตห้าอนาวิติกามะาเรียกนว่าอันตรายยิกระทำห้าถือว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายแต่ว่าบางพวกก็บอกว่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมทำอันตรายธรรมนั้นไม่สามารถทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริง อันนี้ก็พระอริยะบุคคลที่จะมาโจท์ทวงอย่างนี้ไม่มีแต่ก็มีมีมิจฉาทิฏฐิบางคนมาโจททวงมีคือใครอริ tha พิขุกับกันตะกะสัมมเนนเนี่ยนะอริ t ภพิขุกกับกันตกะสัมมเน น, น, นในในพระวินัยเนี่ยนะมีอริ tha ขี่กล่าวบอกว่ากระทำเหล่าใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้นไม่สามารถ ทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงพิสูจทั้งหลายก็จะไปห้ามว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านอย่ากล่าวตวูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตวูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยนะสละทิฏฐินั้นซะถ้าไม่สละก็ก็จะมีพระวินัยบัญญัตใิให้จัดการไปตามนั้นไปแต่นั่นก็กล่าวด้วยอํานาจของมิจฉาทิฐิแต่พระอริยะบุคคลทั้งหลายที่จะมาโจดทวงพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่มีหรือ พระย่าบุคคลใดยๆจักโจดทวงว่าทำเหล่าใดไม่ใช่ทำที่นําออกจากวตฏฏะทำเหล่านั้นย่อมนําออกจากวัตะเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยการที่จะออกจากวัตะนั้นน่ะฐานะนี้ย่อมไม่มีพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่ามิชั่ทิฐิไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แต่พวก น, นี้บอกมิชั่ทิฐิทําไมจะบรรลุไม่ได้ก็บรรลุได้สิ เป็นต้นเนี่ยนะคนบอกว่าผ้าริยาบุคคลที่จะมาโจดแบบนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ฐานนะเช่นว่าสัมมัตมิชัตตนิยามมิจชาติทีมิชัตชชสังกปามิชัตวาจาเป็นต้นอะ่ะที่จะบรรลุมรรคผลไม่ใช่ฐานาะหรอกแต่พวกนี้บอกว่าโอ้ยนี่แหละตัวนําออกจากวตะเป็นต้นเนี่ยนะคนที่จะมีผ้าริยะบุคคลที่จะทําอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่มีรอกส่วนทำเหล่าใดที่นําออกจากวัตะ คือสัมมัตตนิยามหรือมรแปดเนี่ยนะทำเหล่านั้นย่อมนําออกจากวัตตะเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยดีแก่ผู้ปฏิบัติด้วยอาการที่นําออกจากวัตตะนั้นนะ่ะฐานะนี้ย่อมมีอยู่มีอยู่จริงใช่ว่าอริยมรมีองแ์ดที่บุคคลเจริญแล้วสามารถนําออกจากวัตตะได้จริงบุคคลร่ไรจักโจ์ทถถวงว่าก็สาวกของพระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้มีขันห้า อันเหลือจากกิเลสเศร้าหมองนะประเภทสัพปาทิเศ ส, สนิพานจากบรรลุนิพพานธาตุอันไม่มีขันท่าเหลือจากกิเลสเศร้าหมองคืออนุปาทิเศสนิพพานธาตุนั้นย่อมไม่มีเขาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะจะไม่บรรลุอนุปาทิเศสนิพพานธาตุรบอันนี้ก็พูดถูกไหมก็พูดไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าใครที่จะมาโจดท่วงว่า พระอรหันเนี่ยนะจะไม่จะไม่อนุปาทิเสสนิพาน ธ, ธาตุเนี่ยไม่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะว่าผู้ที่ตัดกิเลสโดยสมุดเฉทาปหานไม่มีกิเลสเหลือแม้แต่นิดหนึ่งเขาเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานธาตุขณะเดียวกันผู้ที่ผู้ที่เป็นพระอรหรันเช่นนั้นดํารงอยู่จนจวบสิ้นชีวิตท่านก็เข้าถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุเนี่ยนะ นี่ข้อต่อไปบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิพึงปรงชีวิตมารดาพึงทำการประหัดประหารมารดาด้วยมือหรือด้วยเท้าฐานะนี้ย่อมไม่มีปุถุชนพึงปลงมารดาคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำชีวิตเอ่อหรือทำการประหัดประหารตีพ่อแม่ด้วยมือด้วยเท้าฐานะนี้มีอยู่นะเป็นยังไงถ้าโสดาบันเนี่ยนะ้โสดาบันเนี่ย จะฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่ตีพ่อตีแม่ด้วยเท้าเป็นต้นด้วยไม้เป็นต้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้พระโสดาบันเนี่ยนะที่จะคิดเขาบอกว่าพระโสดาบันที่จะคิดฆ่าคิดยังไม่มีเลยจะกล่าวไปลายถึงถึงล่วงออกมาทางกายและวาจาเล่าแต่ปุตุชนปุตุชนเนี่ยฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ จะตีพ่อตีแม่ด้วยมือด้วยเท้าเป็นต้นก็ได้ถามว่าทาไมทำไมบอกพระโสดาบันจริงๆแม้แต่เจตนาจะฆ่ามดฆ่าปลวกพระโสดาบันก็ยังไม่มีเจตนาเหล่านี้ไม่ใช่หรือทำไมจึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาถึงเอาพ่อเอาแม่มาตั้งเลยล่ะก็เพราะว่าความเป็นปุตุชนเนี่ยมีโทษอย่างยิ่งอะไรที่จะมีโทษเท่าปุตุชนไม่มีอีกแล้วปุตุชนเนี่ยนะฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ ลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาด้วยดีโกรธขึ้นมาก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะคะผู้มีพระคุณเป็นต้นได้หรือตบตีพ่อแม่เป็นต้นอย่างใดก็ได้นั่นคือโทษแห่งความเป็นปุตุชนนี่นะแต่ว่าพระโสดาบันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระโสดาบันจะฆ่าพ่อประหัตประหารพ่อด้วยมือด้วยเท้าเป็นต้น หรือเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระโสดาบันจะฆ่าผ้าอรหันต์ประหัตประหารด้วยมือด้วยเท้าแก่ผ้าอรหันต์แต่ปุตุชนทําได้หมดปุตุชนฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ตีพ่อตีแม่ก็ได้ฆ่าผ้าอรหันต์ก็ได้ตีผ้าอรหันต์เป็นต้นก็ได้ทําได้ทุกอย่างดา่าผ้าอรหันต์ก็ได้ปุตุชนทําได้หมดอะ่ะะแสดงว่าโหเก่งจริงๆเลยนะเก่งหรืออันตรายที่สุดเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดเนี่ยนะ มันถ้าเรายังเป็นปุตุชนอยู่นี่อันตรายมากเลยนะรู้จะไปทํากรรมอะไรอีกนาะงั้นไนงะบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือพระโสดาบันจะพึงทําลายสง์หรือทำอย่างความแตกร้าวแห่งสง์ให้เกิดขึ้นในหมู่สงฐานะนี้ย่อมไม่มีพระโสดาบันเนี่ยนะทำสังฆเภทก็ไม่ได้ทําสังราชีก็ไม่ได้ทําให้สง์แตกกันเนี่ยอย่าว่าทําให้แตกเลยทําให้ร้าวยังไม่มีเลย แต่ปุตตชนเนี่ยทำลายสงก็ได้ทําสงให้แตกร้าวก็ได้ย่อมทําได้ทําให้เกิดขึ้นในหมู่สงฐานะนี้ย่อมมีได้เพราะปุตุชนนี้ยังมีคําพูดส่อเสียดใช่ไหมยุนี่แย่น่นยุยู่น่นแย่นี่เข้าไปเดี๋ยวก็ได้หลายพักเกดี๋ยวก็หลายหลายพวกเกดี๋ยวก็หลายกุกหลายเหล่านี่นะท่นปุตุชนเนี่ยทาได้หมดเลยจริงๆนะโดยเฉพาะไอไอการแตกร้าวเนี่ยมันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากบางช่างยุบางช่างแย่ชอบยุชอบแย่แย่โนู้นแย่นี่เอาความเลวคนนี้ไปเล่าให้คนโน้นฟังเอาคนเลวความโน้นให้คนนี้ฟังกู้รู้ไปทั้งหมดเลยใครไปทําเลวที่ไหนกะใครเมื่ อ, อไรอย่างไรเนี่ยนะเต่งจริงๆเลยนะแต่เชื่อไหมคนนั้นห่างนิพานที่สุดในโลกเลยนะยังไงยิ่งห่างยิ่งรู้ความเลวคนอื่นเท่าไหร่ยิ่งห่างนิพานเท่านั้นทําไมอ่ะเพราะคนนั้นมันเลวกว่าคนนั้นอีก นะเลวกว่าคนเลวที่พูดถึงอีกเพราะอะไรคนที่ไปทำชั่วนี่ก็ถือว่าเลวอยู่แล้วใช่ไไอ้คนที่ไปรู้ความเลวเที่ยวสอดใส่แทรกหาความเลวของคนอื่นเรียกว่ารู้ความเลวคนอื่นสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะคนนั้นเลวกว่านั้นหลายเท่านะทำไมเป็นอย่างนั้น่ะเพราะว่าประกาศถึงว่าจิตใจของเขานี่มันเป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะาจิตใจของเขาเนี่ยหมกมุ่นแต่กับสิ่งที่ไม่ดีนะ บาปอากุศลก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยพันการทำให้หมู่คณะแตกร้าวกันเนี่ยนะถือว่าเป็นความเสียหายมากเป็นประเภทถ้าทำสงให้แตกกันเนี่ยนะเป็นมูสาวาตแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยทำให้เพื่อนฝูงแตกแยกกันเนี่ยเพราะอะไรภาษาไทยเรียกนินทาภาษาบาลีเรียกว่าปิสุนาวาจา นินทาก็คือพูดเอาอีกเรื่องของคนไปพูดอีกคนหนึ่งฟังเพื่อจะให้คนจะได้เกลียดกันเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นธรรมะเขาเรียกว่าส่อเสียดเนี่ยนะส่อเสียดก็คือหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้คนนี้ฟังหยิบคนนั้นเล่าให้คนโน้นฟังเพื่อให้อีกฝ่ายช่วยกันป่วยว่าไะช่วยกันป่วยทางความคิดเนี่ยนะเขบอกว่าเอาความเลวของคนมาเล่าให้คนฟังเนี่ยนะก็มิจฉาวาจาก็เลยท่วม เกิดชาติใดปางใดก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ผาสุกแตกแยกกันหมดนะถึงขนาดแยกอะไรนะไปที่ไหนเขก็แตกแยกกันหมดเลยเพราะฉนนัน้โทษของส่อเสียดเนี่ยมันมีโทษมากฉะนั้นใครที่ที่จะพยายามรักษาวาจาเนี่ยจะต้องระวังให้ดีๆเลยคําพูดเหล่านี้เนี่ยมีผลสะท้อนอะไรออกไปบ้างขณะเดียวกันสิ่งที่เราพูดคือสมบัติของเรานะอนาคตต่อไปเนี่ยนะทุกคําที่เราพูดเนี่ยคือมรดกของเราเนี่ยนะ คนอื่นเขาจะเลวก็ก็ไม่ได้เป็นฐานะอะไรที่เราจะต้องไปรับผิดชอบเขาหรอกเนีย่ยนะเขาก็บาปเฉพาะตัวของเขาไปก็พอแลว้วบางคนเนี่ยนะเห็นคนอื่นเลวแล้วก็ชอบไปขอแบ่งความเลวคนอื่นมาเนี่นะเหมือนอะไรเห็นคนอื่นเขาเป็นเอจก็ไปขอเชื้อมาหน่อยเนีย่ยนะเห็นคนอื่นเขาเป็นอะไรนะเป็นไข้หวัดซาบอกทมน้ำมูกให้หน่อยดิขากน้ำลายมาให้หน่อยจะช่วยช่วยกันเป็นย่งนีนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆแทรกซะจนได้บาปมาบานเบอร์เลย ทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบแ ต, แต่ว่าไ อ, ไ, อไอ้สภาพจิตเนี่ยนะมันเลวร้ายมากเพราะนั้นความเป็นปุถุชนนี้ถือว่าเลวร้ายแล้วก็อันตรายเพราะว่าเป็นเหตุให้ ท, ทําบาปทำอกุศลอีกมากมายเนยนะเพราะนั้นกรรมประเภทวาจานี่หนักกว่าเพื่อนในบรรดากรรมเนี่ยนะบรรดากรรมเนี่ยกายกรรมวจีกรมมกรมมโนกรรมเนี่ยนะสามอย่างนี้อันไหนหนักที่สุดวจีกรรมกับมโนกรรมนี่หนักกว่าเพื่อน กายทุจริตมีสาวจีทุจริตสมโนทุจริตสามท้าพุทธเจ้าเอามาขับเน้นเพิ่มอีกสองตัวคือว่าร้ายพระอริยเจ้ากับเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่เราตําหนิถ้าเขาเป็นผู้มีกุณธรรมเป็นต้นนี่ก็เสียหายทีนี้ไอความเป็นมิจฉาทิฐิก็มีโทษมากกรรมเหล่านี้ปุตุชนทําได้หมดเลยอกุศลทุกอย่างปุตุชนทําได้หมดนั้นความเป็นปุตุชนนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มี อันตรายมากจะต้องมีศีลมาเป็นเกาะเนี่ยนะมาเป็นเกาะมาเป็นกำบังมาเป็นที่พึ่งถ้าปุถุชนไม่มีศีลเนี่ยถือว่าอันตรายที่สุดไม่รู้จะไปทำอะไรต่อไปเนี่ยนะไม่รู้จะไปทำชั่วด้วยกายหรือด้วยวาจาหรือด้วยใจเนี่ยนะพันเวลาบาปไม่ให้ผลนะก็เห็นไหวยวายเนี่ยนะยนยนะ ต, ตอนทำเหตุนี่สนุกมากมีความสุขใช่ไหมตอนเวลาอกุศลมันให้ผลเนี่ยเว้ยทำเป็นเครียด จริงเาบอกยุติธรรมแล้วสมควรแล้วนะบอกเอ ย, ยิ้มรับเลยนะบอกสมควรแล้วนะสมเหตุสมผลที่สุดแล้วเวลากุศลให้ผลนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นมาปับ๊บบอกสมควรแล้วยุติธรรมแล้วเหมาะสมที่สุดนี้อย่างน้อยไปอย่างเงี้ย น, นะโว้ยถ้าเทียบกับเหตุแล้วหนักกว่านี้เยอะอย่างงี้นะ อันเวลาไม่สบายป่ะคนนึกตอนทำเหตุเนี่ยหนักกว่านี้เนี่ยนะนี้เสร็จๆเฉยๆหรอกถ้าตัวจริงเข้ามาแล้วหนักกว่านี้เนี่ยนะนีแค่ส่งลูกน้องมานิดๆหน่อยๆแค่ น, นั้นเองอ่ะนะ <c oughs> ต่อไปนะว่าพระโสดาบันผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฐิคือโสดาปฏิมักเนี่ยนะพึงเป็นผู้มีจิตชั่วร้ายยังพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นหรือพึงเป็นผู้มีจิตชั่วร้ายทาลายพระสถูป คือทำลายเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ปริณิพานไปแล้วฐานะนี้ย่อมไม่มีแต่ปุถุชนพึงเป็นผู้มีจิตคิดชั่วร้ายอย่างพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นหรือเป็นผู้มีจิตชั่วร้ายทำลายพระสถูปของพระพุทธเจ้าผู้ปริณิพานแล้วฐานนี้ฐานะนี้ย่อมมีอยู่มียังไงอ่ะก็ทำลายสถูปทุบสถูปหาหาอะไรที่ตัวเองอยากได้ใช่ไหมหรือไม่ก็ตัดเสียรพระพุทธรูป วันก่อนไปไหว้พระที่ทะเยาเข้าไปในโบสถ์หลวงพ่อเขาบอกว่าพระเสียรเนี่ยไม่ใช่เสียรองค์จริงหรอกเสียรองค์จริงเขาตัดไปแล้วนี่หล่อใหม่แต่ว่าองค์พระนี่เป็นองค์เก่าอ่ะเงินที่ที่เข้าไปสวดมนต์วันนั้นอ่ะนะเข้าไปพูดพระประธานนี่ไม่ใช่องค์เล็กๆนะมันตัดเอาเสียงไปได้นะตัดเอาเสียงไปแล้วแล้วก็ข่าวเหล่านี้ก็ฟังอยู่กันประจำํำนี่คืออันตรายของความเป็นปุถุชนว่าปุถุชนนี่อันตรายมากนะ ลักพระก็ได้เนี่ยนะขโมยพระก็ได้พร้อมที่จะทําได้ทุกอย่างไปหมดเนี่ยนะปุตุชนเนี่ยพร้อมที่จะทุบพระเจดีเผาพระเจดีทําได้ทุกอย่างอย่างประเทศฮอลันดาหรือโปรตุเกสนะที่ไปเอาพระเคี่ยวแก้วที่สีลังกาเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเท่าที่ตํานานก็บอกว่าเป็นพระเคี่ยวปลอมที่จําลองขึ้นมาแล้วก็พวกนี้ก็เอามาตํา เอามาใส่ครกตําแล้วก็โปรยลงทะเลก็บอกว่าตั้งแต่ตําพระเครื่ยวแก้วเนี่ยนะที่องค์จําลององค์นั้นเนี่ยตั้งกันนั้นมาพุทธศาสนาในสีลังกาเนี่ร่วงโรยมาจนถึงบัดนี้นะตั้งแต่วันนั้นมาก็โปรตุเกสหรือฮอลันดานเนี่ยแหละสกลุ่มเนี่ยแหละที่ที่ที่เอาพระาธาตุเนี่ยนะมาตามํตาตำตๆแล้วก็โปรยฝุ่นลงไปปุตุชนเนี่ยนะทำได้หมดทุกเรื่องอะไรบ้างที่ปุตุชนทําไม่ได้ไม่ปุตุชน ถ้าสัมมาทิฏฐิจะไปทำได้ยังไงไหนอ่านให้จบสิ <c oughs> มีอยู่สองประโยคพาริยะทําไม่ได้ปุตุชนทำได้เห็ น, นั้นความเป็นปุตุชนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างบาปเหล่านายมากที่ปุตุชนทำไม่ได้พระพุทธเจ้พระองค์ท่านก็อยู่ดีๆเนี่ยนะเขาอุตสาแกะสลักภูเขาหินให้องค์ก็ใหญ่โตไประเบิดซะไม่นานเน่ยนะ ฝนฝนอะไรตกฝนระเบิดก็ตกลงมาเป็นหาฝนเนี่ยนะฉะนั้นบาปอากุศลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่น่า ก, กลัวที่สุดั น, นถ้าหากว่าใครที่ไปทาบาปยิ่งทำกับผู้มีคุณมากโดยเฉพาะกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะยิ่งมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีโทษหาที่เปรียบไม่ได้